ลงมาลวกก็ยังปล่อยวางนั่นนะปล่อยวางแบบควายใช้ไม่ได้พุทธะมันต้องรู้จักอันไหนควรไม่ควรอย่างไรปล่อยวางอย่างไรจะยึดอย่างไรจะดําเนินการอย่างไรอันนั้นต้องมันต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบทุกอย่างไม่ใช่ว่าคําว่าปล่อยวางคำนี้ก็ปล่อยปะแล้วเลยผ้าเขาไม่หนุ่ผมก็ยาวๆเนี่ยนันเป็นประเภทไหนล่ะเจ้นะ เขากะว่าบาปล่อยวางแบบบาใช เ, เพราะนั้นเราจะเอาอย่างนั้นเหรอเราจะปล่อยวางแบบผู้มีสติผู้มีปัญญาดังนั้นขอให้พวกเราทุกๆองคนะช่วยกันดูนะเพื่อดูแลเตรียมเสนาชนะปีนี้คิดว่าพระคงจะมีมากพอสมควรแต่มีพระมีมากกับพระเก่าก็อยู่ห่าง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 ไม่ใช่พอออกจากวัดหลวงพ่อไปเลยกันุน่นไปคึ้งแต่กันอยู่นุ่นน่ะสมัยอยู่ไปอยู่วัดหลวงพ่ออินน่ะน่นอ่ะทะเลาะวิวาทกันกัดกันเหมือนหมาไม่ดียังคนไม่ดียางเนี่ยมองแต่คนอื่นว่าไม่ดีกิเลสตัวเองไม่มองกิเลสภายในใจของตัวเองไม่ดูมันจะดีได้อย่างไรมันต้องดูใจของตนเองพระุกองค์นะ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 ท่านก็ให้ลูกๆเนี่ยแหละลูกๆที่ลูกเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จะดูแลได้พวกเราก็ไทยทาน่าลูกต้องรับผิด ช, ชอบต้องดูแลขาตกบกพร่องถ้ามีอะไรก็กราบเรียนท่านถ้ามีปัญหากราบเรียนท่านเพราะท่านเป็นเจ้าของเราจะไปตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องกราบเรียนท่านหน่วเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างงั้นครับผมท่านก็เออให้ทําอย่า ง, งานั้นทาอย่างนี้นะ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 แล้วก็เกียร์เกียร์แล้วก็ปับ๊บทางเดินจงกรมแล้วก็หญ้าที่มันเกิดข้างทางเดินจงกรมจะจะเป็นสาเหตุให้งู เ, เข้ามาหาพระตะขาพเข้ามาหาพระกัดพระขณะที่เดินจงกรมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูให้เรียบร้อยแล้วก็กุติแต่ละหลังารางน้ำเป็นยังไง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 แล้วก็ทำความสะอาดปัดกวาดให้เรียบร้อยเป็นผ้าเป็นอะไรที่ของพระรุ่นเก่าที่ท่านอยู่ไปแล้วท่านเคี่งไว้เราก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เป็นไงจะใส่กุญแจไหมเราก็ตูรูพวงกุญแจสายอยู่ของกุญแจทำเราทําเป็นไม้ก็ตามไม่จริงน่าจะทําได้ของเล็กๆน้อยๆเหล่านั้น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 แล้วพวกท่านทั้งหลายไปอยู่วัดอื่นนี่สิออกจากวัดหลวงพ่อไปนียสิพวกท่านทั้งหลายจะคิดถึงคำพูดของหลวงพ่อไปอยู่ที่ใดเออใช่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังขาวนั้นครั้งนั้น เ, เมื่อได้ยินเนี่ยบางทีก็เหมือนกับไม้มแยหูไม่ใช่ไม้แยงธรรมดานะเอาหนามเขาแยงเข้าไปในหูนะไม่อยากฟังฮะแต่มาถึงคราวนี้เออใช่หลวงพ่อหลวงพ่อ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 เียบเหมือนน้ำทางนอกกเหมือนน้ำบ่อที่มันไหลออกมาลงตาลงกูมันท่านก็รักษารักษาบ่อน้ำลงตาธรรมมาท่านก็รักษาให้พวกเราได้อยู่ได้กินแต่พอถึงพวกเราพวกเราก็ต้องรักษาต่ออีกเพื่อจะให้พวกรุ่นน้องๆลูกหลานได้อยู่ได้กินรักษาบ่อน้าที่สะอาดต่อไปรักษาไปเรื่อยๆบ่อน้าก็ น, นั้นก่อน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 อริเป็นศัตรูเป็นอิจฉากันกลัวคนอื่นจะได้อยู่ได้กินอีกต่างหากพอมพากันเห็ น, นกันทุยน้ำลายลงไปทิ้งอุจจาระปัสสาวะลงไปอของโสโครกลงไปผลที่สุดบ่อน้ำก็ตื่นเขินมดน้ำที่จะไหลออกเพราะมันเต็มไปด้วยสกรปรกใครก็ใช้ไม่ได้ผลที่สุดนั่นแหละเป็นยังไง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 อที่พูดมาทั้งหมดนี่คิดดูสิมีเหตุผลไหมถูกต้องไหมเป็นทํามไหมถ้าผู้มีปัญญาก็ต้องคิดหาเหตุและผลถ้าหากว่าคิดดูเหตุผลแล้วไม่เห็นด้วยฮก็บอกมาบอกเลยเขียนเป็นจดหมายมาก็ได้รุ่นพอยินพูดวันนั่นตอนเช้านะ่ะผมไม่เห็นด้วยนะอใครมีเขี้ยวยาวก็กัดกันเลยถ้ามีเล็บยาวก็ตำ บ, บัด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 เกิดมาแล้วมีเพชรนินกินดางเงินทองและกองผืนเร า, านน่นไปเอาของเร็เวๆขี่ไหนตวขี้ไหนขีตะกัวขี่ขัางขี่อะไรามาใส่พกใส่ห่อของตัวเองเอมันไม่น่าจะถูกนะ เ, เราต้องหาของดีๆปีคุณภาพเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา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 เหมือนม้าอาชนะไนเมื่อคนทั้งหลายไม่รู้ว่าม้าตัวนี้เป็นม้าอะไรม้าตัวนั้นก็กินมดทั้งลำทั้งแก่ทั้งผักปุ้งเคืองยาวๆทั้งหญ้า ก, กัดกินในป่าแต่พอเขารู้ว่าโอ้ม้าตัวนี้เป็นม้าอาชไนนันน่นเนี่ต้องหาอาหารที่ปลานี่ให้มันกินข้าวตอก ข้าวชาลีข้าวชาลี ท, ทําเป eh. ็นข้าวตอกครกด้วยน้ําผึ้งอข้าวธรรมดาก็ต้องทําเป็นข้าวตอกครกด้วยน้ําผึ้งน้ําผึ้งเดือนห้าอีกต่างหากแล้วก็หญ้าก็เนี่ยเอาแต่สามใบกรยอดสามใบกรยอดเพื่อให้ม้ากินม้าอาชนไยมันต้องกินอย่างนี้อาหารของม้าอาชนไยเนี่ยอันนี้ก็คืออาหารของม้า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 เราควรปฏิบัติตนอย่างไรนอั น, นให้วางตัวให้ถูกนะถ้าวางตัวไม่ถูกนะเขาดูถูกนะจะไม่ไม่ใช่เขาดูถูกภ้ากอผ้าขอนะถ้าดูถูกจะมีอะไรเอแต่ดูถูกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเยดูถูกภ้ากาสาวพัดดูถูกยูนิฟอร์มเนะี่ยมันเสียศักดิ์ศรีนะอผู้ที่มีศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีเว้นเสียองคนะ์นั้นไม่มีศักดิ์ศรีหลุดลุ่ยไปหมดนะ คือเหมือนกับหมาขี่เลือเน่ยมันไม่มีศักดิ์ศรีเขาดูถูกยังไงก็ไม่มีศักดิ์ศรีเพราะอะเพราะตัวเองเอไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจรยิยธรรมไม่มีหลักพระธรรมวินัยอยู่ในตัวเอง เ, อเหมือนกับหมาขี่เลือเน่ยดูถูกยังไงก็เหมือนหมาขี่เลือเน่ยเพ้อเพ้อทำให้หมูเสียหายอีกต่างหากเพราะนั้นขอให้พวกเรานะให้รักษาวงรักษาวงการรักษาวงของพระพุทธศาสนารักษาแหล่งน้ําที่สะอาด